อุปชาอาจารย์ข อ, อนิสัยก็อุปชาแล้วโอกาสที่จะโยก่กโบูชาไม่ได้เมื่ออุปชาก็ต้องมอบให้อาจารย์ผู้หนึ่งผู้ที่มีนิสัยดีสอนดีแต่ปฏิบัติ ด, ดีให้ขอเขาอยู่แล้วก็ก็ไปข อ, อนิสัยกับอาจารย์ถือถื อ, อนิสัยนั่นอยู่ถื อ, อนิสัยนั่นอยู่อันนี้เป็นดัก เป็นหลักอย่างสำคัญเหลือเกินน่าจะเปรียบเทียบทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทุกวันนี้ก็เหมือนกั น, นถ้าเรามีขดเกณฑ์ถ้าจะเรียนหนังสือต้องอยู่กับค้าห้าพห้าปีต้องเรียนอยู่ห้าปีจบนี่จึงไปต่อ น, นั้นก็เหมือนกันกับทางโลกครับทุกคนนิสัยเนี่ยมันมีมานิสัยของตัวเอง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 อยู่ประชาอาจารย์ที่ประพฤติดีประพฤติชอบพอรู้รู้ข้อประพฤติรู้ข้อปฏิบัติรู้แล้วก็อายแล้วก็กลัวแล้วรู้จักอวัติทาบซึ้งอยู่ในใจจะยืนจะเดินจะเหินไปที่ไหนก็ตามไม่ตลกขนองไม่คิดเล่นไม่ทําเล่นแต่ก้ไขความโรคยังมีอยู่ความโกรธก็ยังมีอยู่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 นะด้วยเกิดเป็นนิสัยด้วยสุดเป็นมาจิตโกศลมครณะนะก็ต้องเป็นคนมีกายมีวาจาอย่างอื่นแปลกเก่าเปลี่ยนจากนิสัยเก่าได้นิสัยใหม่มาเป็นนิสัยของพระมาเป็นนิสัยของเนิมมาเป็นนิสัยของธรรมนะ <c oughs> นะีม่มันเปลี่ยนนิสัยคู่ประพฤติปฏิบัติ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 ใจเป็นยังไม่กลัวใจเป็นยังไม่อายใจเป็นยังไม่ไบบนิสัยมันยังไม่เป็นนิสัยถ้าเป็นนิสัยแล้วถ้ามีนิสัยแล้วน่ะีม่มันอายมันกลัวมันไม่กล้าพูดเปี่ยนหมดระบบกายวาจาของผนเปลี่ยน<ม>เปลี่ยนหมดนอกจากวาสนาอย่างภาษาที่บุตรนั้นะวาสนา วาสนาอันนั้นมันสาวกทั้งหลายเหนื่นอยละไดยากแต่ก็น้อยมิเหมือนพระพุทธเจ้าของเราพระพุทธเจ้าองค์เดียววาสนาได้นิจัยเนื่ยละได้วาสนานั่งคือเจตเดชปัญหาที่อบรมมาในก่อนๆในสมัยก่อนมันอบรมมาหลายโคหลายชาติเนี่ยแต่ก็รู้แล้วก็เห็นจนชํานาญเป็นชนานาญ จะพูดจนจำนานจะไปจนจำนานจนเกิดในเส้นดานในกระดูกมันเข้มข้นอยู่ในกระดูกวันนั้นแหละเข้มข้นในกระดูกวันนั้นเหมือนกับคนขี้เมาคนเหมือนกับคนขี้เมากินเหล้าเก่งๆเป็นนักเลงเหล้านะถึงเขาไม่กินมันก็เดินไปนเหมือนคนขี้เหล้าเหมือนกัน ก, ก็กินเหล้าเห็นเมื่อไรก็เป็นคนขี้เหล้าพูดก็พูดอย่างคนขี้เหล้า นี่คือมันเข้มข้นตอนในใจมันในกระดูกมันนะนี่ยมันติดในตันดาลนะแต่ว่าเมื่อโลกแล้วก็ยังเป็นคนขี้เหล้าอยู่นี่แหละแต่พ่อไม่มีอะไรไม่เมานะนี่มันเปลี่ยนได้ไอ้วาสนานี่ยคือมันตันเช่นภาษาดิบุตรน่ะสมัยก่อนท่านเป็นวิงท่านเกิดเป็นวิงลิงมันชอบวิ่งมันชอบเต้นมันชอบโดดหน้าโดดรั้งอภาษาดิบุตรผมเหมือนตัน นิสัยอ่าวาสนานี่ะนะไม่ไดะบางทีเดินเดินไปถึงหิวจึงบอกนึกสนุกมาโดดปุ้นเลยเหมือนจริแต่กระโดดเฉยเฉยไม่มีอะไรไม่เกี่ยวกับอะไรนะเกี่ยวกับวาสนามันเป็นเช่นนั้นเมื่อทําไปแล้วไม่มีอะไรไม่เกิดเป็นขี้เดือดไม่เกิดเป็นปัญหาไม่เกิดเป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นมาได้นั่นเดียว่ามันมันเคยกันมันฝึกกันอันนี้ของมันกัน ถ้าหากว่าไอ้พวกเรามาพุทธปฏิบัติเนี่ยใครจะสงบหรอคับจะปฏิบัติมันต้องเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากสภาพเขา่าเปลี่ยนจากตายเปลี่ยนจากวาจาเปลี่ยนจากจิตใจเปลี่ยนจากการพูดเปลี่ยนจากการปฏิบัติมันเปลี่ยนหมดมันเปลี่ยนค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปอันนั้นไงวะมันขอมิสฉัยแต่มันจะได้มิจฉัย คือมันทิ้งนิสัยเก่าคือมันทิ้งการพูดอย่างเก่าการเล่นอย่างเก่าการตลกกะนองอย่างเก่ามันทิ้งคือมันเห็นแล้วมันก็ทิ้งเมื่อทิ้งแล้วมันก็เปลี่ยนเปลี่ยนระบาปบำเพ็บุญระความชั่วประพฤติความดีระนิสัยเก่าๆนั่นมาเป็นนิสัยใหม่นี่ เมื่อเป็นนิสัยใหม่แล้วมันก็เป็นไปหมดจิตมันก็เป็นมาหมดรูจักกัวรูู้จักอายรูู้จักอะไรทุกอย่างนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งแล้วนี่เกิดเป็นชาติหนึ่งเนี้ยตายจากชาติอันนั้นแล้วมาเกิดชาติอันนี้ตายจากนิสัยอันนั้นมาเกิดเป็นนิสัยอันนี้เป็นคนแต่ละคนแล้วแต่ในคนคนเดียวมันตายแล้วมันเกิด เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไปตามละตามเนตา ม, ตามประพฤติปฏิบัติท่านเนี่ยโสดาสกีทาคาอนาทาอรหันเป็นต้นมีชื่อตามอันบุคคลละกิเลสไดนะ้ก็คือคนค น, คนเดียวไม่ใช่คนหลายคนคนคนเดียวที่จ้มีชื่อหลายอย่างก็มันเปลี่ยนไปเพราะอาการของกิจเอาการละกิเลสอันนั้นเป็นประมาณ การละกิเลสเช่นนั้นละ่ะเรียกว่ายึดใส่อันนั้นม่มีใบตวารตารพิญยาภัตไม่มีเหมือนทางโลกฮะเต้องความ ร, รู้อันนั้นรู้แล้วมันเปลี่ยนรู้แล้วมันละต่างจากอันนี้นั่นท่านเกิดใหม่เปลี่ยนใหม่เรียว่า เป็นอริยชาติก็ได้อริยะอริยชาติคือมันออกไปแล้จากข้าสึกเก่าข้าสึกที่มันมันผ่านมาเป็นข้าสึกที่จะทำให้เราเดือดแดดไปอีกงนั่นมันหมดไปข้าสึกนั่นไม่มีข้ามจากข้าสึกอนั้นอริยะข้ามจากข้าสึกออกจากข้าสึกใจออกจากข้าสึก อืข่าศ er, ึกว่าจาออกจากข้าอืมตายออกจากข้าศึกข้าศึกต่อทางพุทธศาสนาต่อคุณงามความดีมันออกไปอย่างว่าเป็นจะเป็นข้าศึกเราออกจากข้าศึกจะเป็นข้าศึกต่อความจริงใจของเรามันฆ่าไปใช่อืมเบื้องแรกอันนี้เกิดใหม่ก็คือได้นิสัยใหม่ถือนิสัยใหม่ ได้นิสัยใหม่อ่านักบวชนักพจน์กุมันการมาดูเอานี่ก็ได้เลยมาปฏิบัติไปปฏิบัติไปทู่จนมันได้นิสยัยเราจะมองดูปัจจุบันเนี่ยมองดูเดี๋ยวนี้มองดูไปทางหลังมันห่างไกลกันไปเลยส่วนความรู้สึกนิยคิดมันเป็นได้อย่างกันเนี่ยอืเช่นนั้นด้วว่านิสัยภายในอืมที่พระพุทธเจ้าของเราท่านสอนว่าพ้นนิสัยนั้น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 นี่ถ้จะเห็นอันนี้ก็คือนิสัยนั่นเองนะมันเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนมันไปเมื่อความเมื่อมีปัญญาเกิดขึ้นมามันก็ละกิเรียดอันนี้ขึ้นมาได้เมื่อมีปัญญามากขึ้นไปกว่านี้มันก็ละไม่ได้ของมันอืนิสัยอันนั้นมันเปลี่ยนไปมันเห็นของเก่านั่นแหละมันก็ทิ้งมันไปเช่นวันเราขัไปในป่าสิข้าไปในป่าจสิไปเก็บเอาผลไม้เนื เก็บผลไม้ไปเห็นผลาไม้ที่มันคดีเนี่ยมันเปรี้ยวๆก็เอาเนี่ยหาไปหาไปต่อไปถ้าเราเห็นผลไม้ที่ดีก็น้าดีแล้วก็ต้องเทกระจาดผลไม้อันนี้ทิ้งไปเนี่ยออืเพราะมันเห็นเๆนนั้นมันก็เทไบเทไม่เปลี่ยนอืมฉันใดจิตใจเราเหมือนกันเริ่มเปลี่ยนไป มันมองเห็นโทษแต่ข้างหลังมันก็ยิ่งละทิ้งไปเรื่อยๆไปมองก็ไปยิ่งละไปเรื่อยๆไปไอที่เราปฏิบัติอยู่เนี้ยคนนึกวัดใช่แล้วดีแล้วเมื่อเราปฏิบัติไปอที่เราอยู่นี้ก็ยังมาเดียเรื่อยๆมันก็ละมันไปเรื่อยๆไปฉะนั้นได้ชื่อตามตามการปฏิบัติตามคณะของกิจที่มันเปลี่ยนเปลี่ยนมาเองจะดีว่านิดสัยนั่นเองทีนี้ เราเราทุกคนก็เมันน่านต้องเปลี่ยนจากนิสัยเดิมการเปลี่ยนจากนิสัยนั้นที่แรกมันก็บังคับต่อไปมันไม่ใช่บังคับมันมันเป็นยังไงเดีองก็มันมันเป็นยังไงที่แรกก็ดัดแปลงมันจะหน่อยสอนมันแนะนำมันจะหน่อยอดทนทำไปทำไปทำไปจนมันอยู่ตัวมันซะมันก็ไม่มีอะไรมันเป็นธรรมชาติของมันตัองเกิดในสันดาอนนั้น มันมีความรู้สึกมันมีความเข้มข้นอยู่ในใจนการปฏิบัติไม่ยอมไม่ยอมทําผิดไม่ยอมทําชั่วท่านเองพระโสดาบันบุคคลเป็นผู้ไม่กลับโสดาปฏิปันโนผู้น้อมไปไม่ได้น้อมกลับน้อมไปนี่น้อมไปเรื่อยๆไปเช่นเราไปเมืองอุบลเมืองวรินเมื่อไปมืองก็น้อมไปโดยใต้ก็ไปยิงน้อมไปยิ่งน้อมไปใต้ก็ไปสติโยมองอุบลเป็นผู้ที่น้อมเข้าไป ถ้าเดี๋ยวโสตากันแต่ว่าน้อมมันน้อมกันไปเหมือนหวยน้องคลองบึงต่างๆเล็กๆ น, น้อยๆที่มันมีอาการไหลน้อมไปสู่มหาสมุทรชั้นนั้นชั้นใดอันนี้เราลู่เห็นในปัจจุบันของเรานี่เองไม่ต้องไปตัดสินเอาใครแลี่ยในปฏิบัติไปเตรเราจะรู้จักสิ่งที่ว่ามันหนักมันก็ต้องเบาสิ่งที่ว่ามันยากมันก็ต้องมายาก สิ่งอะไรที่เราชอบในทางที่เราทำแล้วมันก็เกิดโทษขึ้นมาเป็นคนที่ไม่กล้าธทำเป็นคนที่ไม่กล้าทำมิฉะนั้นผู้ประพฤติ ธ, ธรรมะปฏิบัติธรรมะแม่เป็นคา ร, รวะอยู่ก็แปลคา ร, รวา่าแม่อยู่ในสมณะเพศก็แปลกสมณะทั้งหลายด้วยอาการประพฤติปฏิบัติจัญญามารยาทการไปการมาการปกการฉันการเะไรอะไ ร, ะไรทุงอย่าง น่ไม่ตลกขนองไม่เล่นจิตมันเป็นมันจิตเป็นที่แรกกะช่วยบัรคับครูบาอาจารย์ช่วยบัรคับเราก็บรรคับตัวฝุกตัวเรานานๆไปเมื่อมันเห็นมันก็เปลี่ยนออกถ้ามันเปลี่ยนแล้วมันก็ไม่อยากจะกลับไปที่เก่าเพราะว่าที่เก่ามันไม่อยากจะไปเนี่ยมันผิดมันไม่ถูกฉะนั้นจิตของพระโสราบาลตัดจิตเดีได้เช่นนี้แต่เป็นผู้ไม่กลับ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 ในสิ่งที่ชั่วในสิ่งที่ไม่ดีนั้นก็เพราะศีลศีล น, น, นี่แหละเป็นเหตุให้เปลี่ยนนิสัยอืให้เปลี่ยนหนไปให้เห็นชัดก่ออันนั่นผิดอันนั้นถูกให้เกิดอายไอ้เกิดกลัวไอ้ความกลัวความอายสองประการนี้เนี่ยเป็นศีลทั้งหมดเลยจะเป็นศีลพระศีลนเนรศีลยมศีลอะไรทั้งหมดอ่ะถ้าไม่มีอายมีกลัวสองอย่างนั้นเลอะหมดทีเดียว ในเชนั้นปราดทั้งหลายท่านจึงจรงักษาศีลไม่ยากถ้าเราไม่ดูจากศีกลแล้วก็รักษายากแล้วจึงไปอา่านมันจะต้นจนจบจนตอนปลายเลยอืมทำอมนนั้นตองอันนั้นทำอันนั้นเป็นระบาดอันนั้นต้องพยายามตามไปลำบากตายจําเป็นเช่นนั้นไอความเปลี่ยนกินนั่นมปราดทั้งหลายท่านรักษาศีลท่านรักษาจิตของท่าน ให้อยู่ในเป็นปกติเท่านี้มันก็พอแล้วมันเป็นศีลหมดแล้วมันเป็นศีลแล้ว ม, มันเป็นศีลอยู่ใน น, นี่ในฉะนั้นเมื่อปฏิบัติสูงขึ้นไปเท่าไรยิ่งละเอียดการรักษาศีลการสังวรการทั้งรวมเพราะจิตมันเป็นเพราะจิตมันเห็นไม่ไม่เราไม่ได้ควบคุมมันเป็นเห็นชัดต่อไปมันก็ยิ่งห่างไกลออกไปตรงนั้นเนี่ย เห็นการประพฤติเห็นการปฏิบัติเห็นการบำเพ็ญพจนทั้งหลายเหล่านี้มีคุณค่ามากที่เราทํามาประพฤติมาที่สิ่งที่มันไม่ดีนั่นเห็นโทษมันเมื่อเราเห็นโทษมันเล่าก็ปฏิบัติได้ทุกอย่างอะไรที่เรายังไม่เห็นโทษมันเรากละมันได้ยากละมันไม่ได้อะไรเรายังไม่เห็นประโยชน์มันเล่าก็ต้องปฏิบัติอันนั้นในยากทั้งเราเห็นโทษของมันในการละ ทางเราเห็นโทษมันในการประพฤติเช่นนี้การปฏิบัติอันนั้นไม่ยากคือมันดึงดูดไปในตัวมันเองเห็นโทษแเดี๋ยว น, นี้จกโทษเห็นประโยชน์แล้วก็ไปหาประโยชน์อเช่นนั้นเมื่อมันเป็นเช่นนั้นเห็นโทษแต่ความรู้สึกนึกคิดตริดขึ้นกับพระโยคาวจรเจ้าผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้ก็เมื่อไรจะดูดพ้นไป ดบื่อนายเอืม่มละหาทางที่จะไม่เปิดดีไม่แสวงหาความเกิดแสวงหาสิ่งที่ไม่เกิดดีพยายามหาสิ่งที่ไม่เกิดดีพยายามละพยายามถอนพยายามตามตรวจดูกายวาจาจิตจของเจ้าของมันติดอยู่ตรงไหนอืมก็ไปปลดมิติตรงนั้นเนี่ยก็ไปปล่อยมิติตรงนั้นเนี่ยพยายามตรงนั้นเนี่ยเป็นเช่นนี้เอง เฉะนั้นนิสัยอันเนี้ยออที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ท่านวางไว้เน่ยมันถูกต้องโดยตัวนิสัยเนียนะ่ยคนไม่มีนิสยัยก็เปลี่ยนนิสัยเก่าอยู่มันก็มีนิสัยอันเก่าอยู่อย่างเก่าของมันนั่นเองเนะี่ยแต่จะให้เปลี่ยนนิสยัยผู้ปฏิบัติจะเป็นไปาตามธรรมะต้องเปลี่ยนเรารู้เห็นที่เปลี่ยนเท่านั้นนะดูอยู่กับพระพระองค์นั้นแหลกพระ เนรก็แปลกเนรยอมก็ต้องแปลกยมเพราะมีสิ่งที่แปลกมีสิ่งที่แปลกเนี่ยฉะนั้นผู้ที่เประพุทธธรรมะต้องรู้จักประมาณแล้วยืนในบ้านก็ดีเช่นว่ามีภรรยาสามีอยู่ก็ยังเป็นข้าศูดาบันได้แต่ว่ารู้จักประมาณเขารู้จักประมาณของเขาอืมเขารู้จักประมาณของเขา ไม่ใช่คนไม่รู้จักประมาณคน ร, คนรู้รจักประมาณอืคนรู้จักประมาณเท่านั้นคล้ายๆรู้จักประมาณยังไะหิวน้ําำก่ดน้ํำเลยมากินซะแล้วก็พอเนี่ยเมื่อหิวข้าวกอดข้าวมากินแล้วก็พอนะทีนี้เดี๋ยวรู้จะประมาณจะประมาณแล้วในวงนี้ในว ง, นวงของเราเนี่ย เมื่อกินข้าวราหารเนี้ยพอพอแล้วพอกินเหล้าไปกินยาไปแล้วก็กินเบียร์ไปอันนั้นถ้าโสดาบันเอะไรถึงนั้นมีครอบครัวคารวะอยู่ก็ยินดีในในในครอบครัวของเราแต่นั้นคือคือไม่ยอมเอาสนุกในสิ่งทั้งหลายคือตามไม่เอาสนุกอย่างนั้นคล้ายๆว่ามันเดินเหนื่อยเต็มทีแล้วก็พักผ่อนในร่มสักพักหนึ่งหลับเลิก แคนั้นแหละแค่นั้นแหละไม่เห็นอันนี้เป็นของดีไม่เห็นอันนี้เป็นของเลิศไม่เห็นอันนี้เป็นของประเสริฐแลยก็พอดีการอยู่การกินของผูปฏิบัติธรรมนะก็อยู่สบายอยู่ในบ้านก็แปลกคนอยู่ในบ้านการทามาหากินก็แปลกคนเช่นนั้นอยู่เป็นสุขเมื่ออยู่ในวัดก็เหมือนกันเป็นพระก็เหมือนกันก็ต้องแปลกอย่างนั้น การอยู่ของคู้นี้ต้องแปรคนอื่นเฉะนั้นแต่มีมีคุณนวุธที่อันนี้ทางใจมีอยู่ไม่กล้าทำคารตกประพฤติถ้าทำระสมเป็นอย่างยิ่งเนี่ยการประพฤติปฏิบัตินี่ตรงมือนกันเราจะปฏิบัติจิตใจของเราเราก็ต้องรู้เวล า, าจิตของเราความรู้สึกเกิดมาในจิตของเรามันกลัวมันอาย มันในพระธทําไม่เป็นธุระหน้าที่ของมันที่จะต้องทามันเป็นหน้าที่ธุระของมันที่จะต้องละเท่านั้นเองอันนั้นเนี่ยไอ้ความรู้ชนิดนี้เกิดขึ้นมาเพราะการปฏิบัติรู้แล้วหันละไม่ใช่รู้แล้วไม่ละอันนั้นเป็นส่วนปริยัติเฉยๆไม่เข้าถึงใจอือันนี้ก็อวัตถุกันกฉะนั้นอืฉะนั้นการอบรมที่เราอยู่ด้วยกัน อมปฏิบัติด้วยกันเนี่ยอืให้เราภาวนาให้มากๆอืนไม่ต้องให้มากวันพระวันนี้มาเราสอนกันอบรมกันก็พอลอืมถ้าเราปฏิบัติมันเห็นนะ่ถ้าเราปฏิบัติมันรู้จนคนมันเปลี่ยนนิสัยถ้ามันเปลี่ยนนิสัยแล้วก็ไม่ต้องตามสูง ถ้าเปลี่นนิสยัยได้ไม่ต้องตามส่งแล้วนิดเดียวก็ไปแล้วอย่างเป็นภาษาดาบนบนุคคลท่านไม่ตามส่งอีกแล้วคือมันตกกระแสะแล้วมันน้อมไปเองมันเนี่ยเขาซ้อนตัวของต่อไปนะอืมนั่นเนี่ยเป็นผู้พ้นจากนิสยัยพ้นจากนิสยัยสมัยนี้ไม่เคยมีบวชมาแล้ววันสองวันไปเดย์หกวันเจ็ดวันไปไมันต้องมอบไป ไตามเรื่องตามราวนิสัยมันก็ยังไม่พ้นมันก็ยังเอานิสัยของเก่ากิริยาอันเก่าความรู้สึกอันเก่าไปปฏิบัติมันก็ยังเป็นคนยังเป็นคารวาสยังเป็นปื้อหัดนิสัยที่จะเป็นพระเป็นนเนรก็ไม่มีเพราะมันไม่เหลี่ยนนี่ราฉะนั้นการถือนิสัยเนี่ยพระพุทธเจ้าของเราถ้าไม่มีความอายมีกลัวมีพระวินยัย หกสิบพรรษาก็ตามไม่พ้นไม่พน้นนิสัยเจ็ดสิบพรรษาก็ตามไม่พน้นนิสัยมันพน้นนิสัยที่ถงว่าเราเรักษาตัวของเราคุ้มเราคุ้มครองตัวเราได้ดีแล้วนี่เองอย่างน้อยเถอะห้าพรรษา<ม>ห้าพรรษาจริงห้าพรรษาแล้วถ้าใครมาตั้งใจตั้งใจประพฤติปฏิบัตินะพยายามทำนะดี จะเป็นพระเป็นเนนก็ตามเป็นอยู่ด้วยเยดีทีเดียวถึงห้าพราษาอะไรไดว่าใช่ได้เนี่ยพอสมควรเอืมใช่ไปเอานู้นก็ได้มาใช้นี่มันฉลาดพอสมควรในการละกิเลสใช้นั้นก็าพียงทรงบัญญัติไว้ให้เป็นนิสัยมุตตะเมื่อเรายังไม่พ้นนิสัยนั้นก็เรียกว่าอาศัยผู้อื่นอยู่อาศัยปรชาอยู่อาศัยอาจารย์อยู่ อาศัยอยู่หรือออกไปจากครัวาอาจารย์ที่ไหนก็ต้องท่านอาจารย์ตรงนี้พระองค์นี้มีนิสัยดีมีศีลบริสุทธิ์ดีก็อาศัยอันนั้นพร้อมีใสัยอยื่นต่อไปเป็นต้นอันนี้เป็นเรื่องการปฏิบัติของพระพุทธเจ้าของเราอืนี่ไม่เสื่อมถ้าทํำยังไม่เสื่อมอมีแต่ความจเจริญไปบงหน้าตรงนั้นดีช่วยกันเนี่ย าาว่าเป็นที่นี้มันช่วยกันในหลักพุทธศาสนาในเต็มที่เลยทีเดียวสอนง่ายเบาเบ า, เบ า, บา อ, อกเบาใจจากครูบาอาจารย์จากเพื่อนพิสูจน์สมานีนทั้งหลายแล้วเพราะว่ามันรู้จักพิษจักภัยแล้วมันจะพยายามละทิศาาละาภัยของมันแล้วอืถ้าจิตมันเป็นเช่นนั้นอันนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะการปฏิบัติการปฏิบัติการอดทน การกระทำเพียนดูจุดหนึ่งที่เรียกจุดจิตของเราเนี่ยดูเนี่ยเพราะว่ารู้ที่จิตของเรามิใสัยมันอยู่ที่จิตของเราจิตเป็นจุดอันหนึง่งในในสักคนร่างกายของเราทางก้อนก้อนรูปเนี้ก้อนรูปที่เรานเนั่องเยอะมันมีจุดเดียวที่เราจะรู้ทั่วถึงที่จิตของใจ มันจะตาหูจมูกลิ้นตายมันก็ผ่านกันมาถึงจุดของใจฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงให้ดูจัดรักษาใจของเราให้ฉลาดในการรักษาใจของเราให้มีสติในการรักษาใจของเราเพราะว่าเมื่อเราคุ้มครองอยู่ที่นั่นเมื่อเรารักษาอยู่ที่นั่นในจุดอ น, นั้นอารมณ์อะไรที่ไหนมาผ่านมันจะมาถึงจุดนั้นเมื่อถึงจุดนั้นเราก็คงจะรู้มนเมื่อมันรู้มา แล้วก็ค่อยๆแกะที่มันจอนมาเราก็ต้องรับต้อนรับมันถ้าเราคนเป็นผู้ฉลาดก็ต้อ ง, ต, องต้องต้อนรับมันด้วยปัญญาแก้ไขาอารมณ์นั้นได้ถ้าเราไม่ฉลาดก็ต้องต้อนรับมันด้วยความโง่นะเมันกระจุงจะหมู่เราไปอารมณ์มันก็เหมือนตามเช่นนั้นฉะนั้นตอนที่ให้เรียนอยากให้มีนิสัยให้รู้ สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ฉะนั้นถึงวันพระจึงอบรมกันอบรมศีลที่เราที่เราที่เราทำบโชสววันนี้ก็เหมือนกันเพื่อให้เป็นอย่างนี้เพื่อให้เห็นอย่างนี้เพื่อให้เป็นอย่างนี้<ม>ให้เป็นอย่างนี้ก<ม>ารประพฤติปฏิบัติในทางพุทธศาสนาเนีน่ะไม่ต้องอะไรมาก เรา ค, ยคอยสทังเกตจิตของเราอยู่กับครูบาอาจารย์เราค่ยคอยพิจารณาสังเกตเมื่อมีอารมณ์กำมาท บ, บอะไรอย่าพึ่งตามมันไปเลยอย่าพึ่งว่าอย่าพึง่งวิ่งกำมันใหม่อันนี้เราชอบใจเดาส่วนอย่าพึ่งจิตมันจะเป็นอย่างนั้นกวอย่าพึ่งอันนี้เราไม่ชอบใจเลยอย่าพึ่งพูดให้เราดูอดูดูเป็นเครื่องประรับปัญญาทําไว้อันนี้ก็วางไว้ทางนี้ก็วางไว้อันนี้ปัญญาจะเกิดขึ้นได้ ถารวิ่งกลับอารมณ์เนี่ยปัญญาเกิดกันไม่ได้ถ้าเราวิ่งไปทางนี้อีกปัญญาเกิดึ้นไม่ได้ทำไมเพราะว่าสถานที่นั่นไม่ใช่สถานที่ปัญญาจะเกิดสถานที่ปัญญาจะเกิดก็คือรู้สิ่งทั้งสองอย่างนี้เมื่อวิ่งดูแล้วเห็นแล้วก็ ก, กลับมาเมื่อตามมันไปแล้วก็กลับมาอยู่ที่เดอมของเราตรงนี้ตรงที่จะเกิดปัญญาตรงที่เราตามมันไปนั่นคือความโง่ทั้งหลายนั่นเอง ที่ตามมันไปถ้าพระเจ้ทาทรงครงที่คงที่อารมณ์ที่มากระทบถูกต้องที่ดีกับคงที่คงที่ก็คือปกติอารมณ์ที่ไม่ชอบใจมากระทบกับคงที่อาการที่คงที่เนี่ยอาการที่มันวิ่งไปทางซ้ายทางขวเนี่ยปัญญาเกิดตรงนี้ปัญญาเกิดตรง น, น, ญญรงนี้ถามไปอีกว่ามันมีปัญหา ทำไมถึงไม่วิ่งตามมันไปเพราะจิตเห็นว่าอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนนี่อันนั้นเป็นของไม่จริงอันนั้นเป็นของไม่แน่นอนไม่ต้องวิ่งตามมันไปเลยไม่ต้องประทานมันอันนี้จิตมันมีเหตุผลอย่างนี้คือมันรู้สิ่งทั้งหลายเรานั่นตามเป็นจริงแล้วเช่นนี้ฉะนั้นจึงในตามดูจิตของเจ้าของด้ด้วยไปกินอะไร้รื้อยๆไปปัญญาเกิดขึ้นจากจิจตปัญญาเกิดขึ้นในจิต ทำจิตให้ฉลาดเดียกว่าปัญญาเกิดขึ้นมาในนั้นถ้าเราวิ่งไปตะมันไปมันความฉลาดมันก็เป็นมึงกระโง่แหละถ้าเราวิ่งไปตามท่านอีกไม่ฉลาดไม่มีปัญญาเกิดมันก็ะโง่ตอนนั้นไงก็เลยเป็นคนวิ่งไปวิ่งมานะอวิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปไม่รู้จะเอาอะไรกันดีดีใจก็วิ่งไปจนสุดจิตนะเสียใจก็วิ่งไปจนสุดจิตนะชอบก็วิ่งไปจนสุดจิตเนี่ยไม่ชอบก็วิ่งไปจนสุดจิตเน่ ถึงทุกข์ทั้งนั้ น, นพระพุทธเจ้าของเราท่านเราให้คงที่ให้คงที่ให้เป็นหนึ่งถ้าพูดง่ายก็คือว่าภาวนาพุทธโธให้เป็นหนึ่งให้จิตเป็นหนึ่งตลอดเวลาถึงแม้พระพุทธเจ้าของเราก็มีอยู่อพระอริยสาวกของเราก็มีอยู่สุขก็มีอยู่ทุกข์ก็มีอยู่เรื่องชอบใจก็มีอยู่ไม่ชอบใจก็มีอยู่แต่ว่าท่านรู้มันจะแล้วทำไอยิดตามมันแล้วก็ ป, ปล่อยมัน ก็ตัดเห็นโทษกันแล้วเพราะว่าธรรมชนิดเนี่ยไม่ใช่ธรรมที่จะเราจะบําเพ็ญเป็นธรรมเราจะควรละเมื่อความดีใจเกิดขึ้นมาพึบเดียวเท่านั้นเป็รู้ไปเลยไม่พอใจขึ้นมาตัวอันเดียวเท่านั้นมันมีราคาเท่าเท่ากันเั้านั้นมีเท่านั้นจึงจะเป็นคนวางวางอารมณ์ทั้งสองอย่างนี้ไม่ใช่วางไม่รู้นะวางเพราะการรู้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ มันปรากฏตามขึ้นมาเลยสุขมันก็รู้ว่าสุขแกไม่ติดสุขทุกข์มันก็รู้ขึ้นมาแกไม่ไม่ไม่ไปติตแางทุกข์เจ้าของทุกข์นั้นไม่มีเจ้าของสุขนั้นไม่มีเพราะแต่ว่ารับรู้แล้วก่อสายตัวมันไปจากกระดาษเกิดได้กระดาษไปเกิดได้กดาษไปเกิดได้กระดาษไปนี่จากเทวธาตุมันเกิดได้มันก็รับมันไปแค่นั้นเน่ยเพราฉะนั้นจิตก็เป็นเสรีอยู่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 อารมณ์ที่มันดีอารมณ์ที่ไม่ดีอารมณ์ที่ชอบใจไม่ชอบใจสักแต่ว่าอารมณ์สักว์แต่ว่าธรรมมันเกิดได้กดับไปก็นั่งดูมันถนัดนีสัตว์แต่ว่าเกิดได้มันดับไปสักว์แต่ว่าเกิดได้มันดับไปสักว์แต่ว่าเกิดได้มันกรดับพอมันไปเมื่อจะได้ยินหนูเมื่อจะได้เห็นหนูรู้อยู่ในการเดินการโดนการนั่งการนอนก็เห็นว่าอันนั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นออไม่เป็นทุกข์เพราะอารมณ์มันนั้น ไม่เกิดสุขเพราะอารมณ์นนั้นไม่ติดสุขเกิดทุกข์เพราะอารมณ์มันั้นอันนั้นซักว่าจะเป็นธรรมธาตุอันเกิดแล้วมันราบเอมันไปเห็นความเกิดจะเห็นความดับเห็นความเกิดจะเห็นความดับเนี่ยในเวลานั้นก็รู้สิ่งที่มันมันเกิดมันดับที่ทันนั้นเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ราไปเห็นธรรมเกิดขึ้นมันก็ราไปมันจะมีอะไรอีกล่ะมันทันก็ไปไอ้ขึ้นมหาสมุทร ที่มันเป็นขึ้นมาขึ้นมาเป็นมาตรกระมองดูเนะ่ะเมื่อมาถึงฝั่งมามากระทบฝั่งกันมันห้าแต่กระจายไปไม่มี อ, อะหมดเลยขึ้นนี้ขึ้นหน้าต่อมาอีกนะอืขึ้นมากระทบฝั่งเรียกกระสอฝั่งเองมันก็กระจายไปอีกมันจะเป็นอยู่อย่างนี้กระทั่งปีกระทั่งชาติมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เองมันมันขึ้นกระทบฝั่งทำอันนี้กับมันการเกิดแล้วก็ดับไป กเกิดแล yeah. ้วก็ดับไปหลับแล้วเกิดเป็นมาเกิดไนมันก็ดับไปมันก็เกิดขึ้นแล้วเกิดดับไปมันก็เป็นกรรมันอยู่เช่นนี้ใจไม่เกิดไม่หลับกรรมจิตไม่เกิดไม่หลับกรรมทำไมไม่เกิดไม่หลับกรรมพอเห็นจริงทั้งหลายมันเป็นทบมันเป็นชาติอยู่แล้วยิ่งตามมันไม่ได้เมื่อจิตรู้ทั่วถึงทั้งหลายเลยเนี่ยรู้ถึงรู้เป็นคนฉลาดแล้วก็เลยปล่อยจิตก็เปล่อยคำที่ว่าปล่อยไม่ใช่ว่าไม่รู้ ต้องรู้มันถึงปล่อยมันไดนน้ปล่อยมันได้ถ้าพูดตามธรรมะในที่นี่แต่ในวัาจิตมันว่างถ้าพูดถึงว่าจิตมันว่างอย่างโมกขลาศเนี่ยคาถาโมคขลาศมัจจุราชตามไม่ถึงไอ้ความตายตามไม่ถึงมันมีเกาะกำบังอยู่แล้วมัจจุราชคือความตายตามไม่ทัน ตามไม่ทันตามพระโมกขลาตามพระโมกขลาแต่ทันทําไมถึงตามไม่ทานล่ะทำไมถึงตามไม่ทันเพราะกานรู้ตามเป็นจริงแล้วว่าสัตว์บุคคลไม่มีเออไอ้ที่มันเกิดมันตายเนี่ยมันเกิดตั้ดับไปรูปนามมันเกิดมันดับไปต่างหากกับมันท่านไม่ได้ตายมัตติราชถึงตามไม่ถึงท่านดินน้ำไรลมกระจากระจายไปต่างหากของมัน ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ตรงนั้นเนี่ยมันว่างอยู่ในที่มันมีเช่นนี้ไม่ใช่มันว่างอย่างอื่นไม่ใช่มันว่างไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้จักสุขไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักอะไรว่างเนี่ยธรรมประสากิจของคนนั้นมันว่างอย่างนี้ไม่ได้น้อมันม่ว่างถ้าว่างเช่นนั้นก็สงสัยอยู่แล้วเนี่ยมันต้องหาที่ที่ว่างในสิ่งที่มันไม่ว่าง เราจะต้องหาวิมุตในในในสมมุติ yeah. แล้วจะหาความเย็นในความร้อนเราจะหาความสมุบในที่มันวุ่นวายในทีต้องหาความสุขในที่มันทุกข์มันก็ต้องเป็นเช่นนี้เองที่ไม่จิตว่างไม่ใช่ว่างไม่รู้เรื่องคือมันระยึดมั่นถือมั่นนั่นก็ว่างากว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะ คืออารมณ์ทางไหนเรานี่จะมาฟอให้เกิดราคะโทสะตื่นดีไม่ได้คือไม่มีใครเป็นเจ้าของเลยมีสุขเกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของมีทุกข์เกิดขึ้นมาก็ไม่มีใครเป็นเจ้าของเมื่อเกิดอรูปิทนาสัญญาสังขารนี่ตายแตกไปก็ไม่มีใครตายมัจจุราชตามท่านได้ไหตามก็ท่านไมได้อืฉะนั้นแต่ว่าพระโอกฐขันราชเนี่ย มัจุราชตามไาม่ทันมัจจุราชตามทันแต่บุงคนที่มีความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาตามทันแต่บุงคลที่มีเจตนาหารู้ไม่เท่าตามเปจริงเท่านั้นเองเท่านั้นเลยจิตว่างจิตว่างถ้าเราไปคิดอยู่ก็ไม่เห็นว่านี่อะไรอืมอมันคิดอยู่ใจว่างยึดตัวว่างไม่รู้เรื่องเลยไม่รู้เรื่อง ในเรื่องของมันว่าอก็คือความสงบจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เองอืไม่ใช่อยู่ไปอะไรนีรน่เรื่องวานิชสัยเริ่มลรกมังเกิดจากนิชสยัยและก็ต้องเรียนเรื่อยๆไปเป็นโซดาสีพาัฒนาคาอรหันเป็นต้นนี่เป็นกิริยาของจิตเป็นการประพฤติปฏิบัติได้ชื่อมาเพราะการละกิเลสเช่นนี้เองไม่ใช่อย่างอื่นที่นี้เราจะเพิ่งไปถามถึงมันเลยว่า ผมทำขนาดเนี้ยจิตของผมไปเช่นขนาดนี้มันจะเป็นชั้นไหนมันจะเป็นอะไรน <_ S 1> ีนี่อย่าไปถามมันให้มันยุ่งอย่าไปถามมันคือจิตกับบัญญัติอันนี้มันต่างกันไม่เหมือนกันหรอกไปอ่านดูที่โลกโกรมงงไปอ่านดูที่ที่มันเกิดตั้บใจเขาเรากับตัวหนังสือเนี่ยมันต่างกันไหมในไปอ่านหนังสือเฉยๆนีสบายโลกเป็นเงื่นโตรธนึกสบายเนี่ย ถ้ามาเกิดกับจริงคนนั้นมันจะเป็นงั่นเลยนะมันจะฆ่าจะแกงัขึ้นมาเนี่ยอันนี้ตัวจริงมันเป็ี่ยนชนิดอืมเพราะฉะนั้นลักษณะปฏิบัตินี้มันจึงเห็นซึ่งไปยิ่งคนนั้นอีกไอ้ความรู้ในร้านปริยัติเนี่ยมันละไม่ได้ถ้ารู้การประพฤติปฏิบัตินี่มันรู้ตามเป็นจริงมันละคนมันได้ว่าอันนั้นไม่มีอันนั้นมีโทษมันเห็นโทษจริงๆอันนั้นเกิดประโยชน์มันเกิดประโยชน์จริงๆมันทําโทษอันนี้ให้มีขึ้นมา ทำประโยชน์ที่ให้เกิดให้มีขึ้นมาในใจเขามันจริงๆเนี่ยมันเป็นสิ่งเด่นๆนิสัยนี่มันเปลี่ยนไปเรื่อยๆไปมันเกิดไปเรื่อยๆไปมันเกิดไปเรื่อยๆไปคณะของกินฉะนั้นจงหาปัญญาเกิดจากจิตของเราี่โดยมากกับคนเราจะคิดเป็นขั้นเป็นตอนเป็นขั้นเป็นตอนให้เข้าใจว่าศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทําไมถึงแบ่งมันออกไปคือแบ่งออกไปเพื่อให้พวกปริยัติเรียนง่ายเข้าใจง่าย อาการเช่นนี้มันเป็นชื่อวิญศาณอาการเช่นนี้สมาธิอาการเช่นนี้เรียกว่าปัญญาไอ้ความเป็นจริงสิลสมาธิปัญญาเนี่ยมันก็อันเดียวกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละแต่เราแบ่งออกกันตตัวเราเนี่ยอันนี้ตาอันนี้หูอันนี้ปากอันนี้แขนอะไรหลายๆนะอย่างในในตัวของค น, ค น, ค, น, ค, นคนเดียวมันก็คนคนเดียวนั่นแหละ จะแยกให้รู้จักหลายตรงนั้นเป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นตาแยกออกอแต่ว่าแยกออกไปที่ไหนมันก็ไม่ออกรก็รวมในคนคนเดียวนั่นแหละอืนักปฏิบัติเห็นเกันไปเจนนี้รวมเข้ามารวมเข้ามารวมเข้ามานี่ยสินสมาธิปัญญามันรวมเข้ามาสินสมาธิปัญญามันเป็นก้อนเดียวกันถ้ามันก้อนเดียวกันเนี่ยปฏิยัติเดียนยากคนเรืงอาการเจนนี้เลยตายวาจาเป็นสินเนี่ย จิตเป็นสมาธิปัญญาก็เป็นปัญญานะอืเป็นแ ย, ยกออกอาการเจนนิ่งเป็นอาการมีความรู้สึกคิดคู่แจ้งเตืตลอดเป็นปัญญาอาการที่สงบสงบที่นี่เป็นสมาธิอาการมีความสงบสงบดูดียว่านซึ่งนี่อจมูกสูดลมหายใจเหม็นหอมาตาจะเห็นลกูกหูก็ฟังเสียงนะ ใจมือมุ้มันก็มารวมกันในที่รูปของกิจอันเดียวทําไมถึงแยกกันออกแยกให้รู้จักบจมูกมรู้จับจมูดอันนี้เป็นจมูกอันนี้เป็นตาอันนี้เป็นปากอันนี้เป็นเนื้อเป็นนังอันนี้เป็นขนอันนี้เป็นหิแยกไปเช่นนะี้แต่มันกงอยู่ที่เก่ามันเองเมื่อเรารวมรวบรวมรูปปีนาเดียวทั้งหมดนี่ันจสกลร่างกายเนยเป็นของไม่แน่นอนเท่านั้นแหละจนจิตของเรพน้นออกไปละออกไปได้เห็นโทษมัน ก็ได้เข้าใจเรานั้นี่ะเห็นผลทุกเส้นผลเห็นผมทุกเส้นเส้นผมเลยเห็นกระดูกทุกซี่เห็นเห็นทุกอย่างเห็นทุกอย่างเลยทิ้งทั้งหมดได้จนส่วนที่นิพิทาความเบื่อหน่ายในก้อนอันนี้เนี่ยแต่มันแยกไม่ออกอคือมันรวมกันอยู่แยกออกไปรรู้จักง่ายๆอเท่านั้นเองเมื่อผลที่สุดมันไปรวมกันการประพฤติปฏิบัตินี่คือมันกัน อุปจารสมาธิอปปนาสมาธิเนี่ยมันช่เป็นอปปนาสมาธิอุปจารสมาธิอนี่ยคณาสมาธิามมาธอัปปนาสมาธิเนี่ยมันก็คือเรื่องจิตเดียวกันนั่นแหละเนี่ยเนีจิตเดียวกันคณาสมาธิคือมีความสงบไปชัว่วคราวหรอกมันก็ได้อุปจารสมาธิมันก็ค่อยสอบไปนานก็นานดิจินจารสมาธิเนี่ยสอบไปเป็นคณาหนึ่ง ขณะนี้มันสั้นขณะนี้มันยาวอัปปนาสมาธิอยู่ไปตลอดเลยหลายชั่วโมงเลยมันแน่แน่วเมื่อจิตเช่นนี้มันเป็นอัปปนาสมาธิอุมิจารสมาธิอณสมาธิแน่มันก็จิตดวงเดียวกันนั่นเองเน่ะเมื่อมีสมาธิน้อยมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อสมาธิไปมากกว่านั้นมันก็ว่าไปอย่างหนึ่งเมื่อมันมากที่สุดของมันก็เรียกชื่อมันไปอย่างหนึ่ง ฉ้นเรื่องอันนี้จะต้องศึกษาในที่นี้เพืจะรู้จักเห็นว่าเรื่องกิจคณะสมาธิจะเป็นยังไงอุปจารสมาธิมันเป็นยังไงภาวนาสังกิเพียงไรเรียนไปก่อนแะจะไม่รู้เรื่องเนอะไม่ต้องตามมันไปเราทํามันไปเถอะมันจะเห็นนะมันคณะสงฆชั่วคราวมันก็มีออุปจารสมาธิมันเดินอุปจาระมาเที่ยวเข้าไปวิจารเข้าไปเที่ยว ในที่สงบนั่นอีกภาคหนึ่งอัปปนาสมาธิแน่แน่วมีกำลังยิ่งกว่าสมาธิทั้งสองนี้อาการสามอย่างนี้มันจะพบที่จิตของผู้ปฏิบัติทั้งนั้นถามไปก่อนในรเรื่องอันนี้คืออะไรไม่รู้จักเพราะว่าออุปจารสมาธิเมื่อถึงทุบมันไม่แสดงภาพเป็นตัวหนังสือตัวมาในที่นั้นอันนี้อุปจารสมาธิมันเลยบอกไอปนั่นนะมันบอกจะอาการ ถ้าเรามีปัญญาเราก็ขณะ น, นี้มันเบาอย่างนี้ขณะนี้มันเบาอย่างนั้นคณะนั้นมันมีกําลังอย่างนี้กำลนงจิตอย่านี้ตามบัญญัติอย่นี้เนี่ว่าขณะของจิตมันจะรู้ตัวมันเองไม่ต้องไม่ต้องคิดยากไม่ต้องลําบากอะไรมันเลยอเรื่องปฏิบัติเนี่ยขอเท่าี่ว่าเบื้องแรกก็มาอ่าศีลของเราสังวรสังรวงเนี่ยบื้งแรกที่สุดนิดสัยเนี่ย เขาในพวกในฝูงก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็อยู่คนเดียวไม่แยกอยู่ ม, มีความฟักไฟอยู่ตลอดกาตรตลอดเวลาอยู่เช่นนั้นมีเรียกงประการปรินวันเมื่อจิตมันเห็นต้อเป็นอย่างนั้นมมันไม่ปล่อยปะละเลย ส, สิ่งทั้งหลายเหลนะ่านั้นมันมีอยู่มมเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ทําตามอาการเช่นนี้รักษาจิตดวงนี้ไว้ พยายามตามรักษาจิตอันนี้ไหวเรื่อยๆไปมันจะรู้มันจะเห็นมันจะเป็นอะไรเกิดมาในจิตตรงนั้นในจอหนังนั่นแหละเดี๋ยวไปดูสิอืนไปดูจอมาหน่อยละเอียนางเอีมันจะเต้นออกมาตรงนั้นแหละอะไรมันจะออกมาตรงนั้นแหละในจอนั่นแหละจิตนี่คือมันจังมไม่ต้องกระเสือดกระใสในการประพฤติปฏิบัตินั้นแหละไม่ต้องไปคิดเอรมันมากมายทำอารมณ์เย็นๆที่จินามันเชื่อว่า อะไรมาหลอกลวงไม่ได้อืมสิ่งที่ชอบใจเรากร็รู้ไม่ชอบใจเราก็รู้จักมันแล้วตามเป็นจริงเมื่อสบายปล่อยมันเราก็ยามปล่อยอืมเมื่อจนได้นิสยัยอืมเมื่อปล่อยมันก็สบายเมื่อเป็นแบกมันก็หนักเมื่อปล่อยมันก็เบาเึเ้นมามันก็รู้เห็นการไปจริงของมันอยู่ในการทักษคตปฏิบัติันไม่หึงใจนะอันนี้ไม่ต้อ ง, งสงสัยแล้วอืม ขอจะปฏิบัติส่วนตัวคงใจคงใจคงใจเท่านั้นแหละมันจะมากจะน้อยให้เป็นผู้มีอุปนิสัยเป็นผู้มีปัจจัยเป็นผู้ถือนิสัยเมื่อมันเมื่อมันจิตของมันเทินไปนิดหนึ่งก็รู้จักหนึ่งก็ะเดืเมื่ออยากจะพูดทํานั่นเก็บมารู้มันปิดไปเบกอะไรตรงนี้ล่ะนีพยายามรวมเข้ามารวมอาการเช่นนี้แต่ว่าสังวรศิน สังวรสังรวมอยู่รวมกันเรามารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้ารวมเข้าต้องทำมานจะน้อยจะน้อยจะม่มีจุดน้อยดูง่ายดูง่ายเมื่อรวมมาถึงกายกายจิตจะเคยหมดเลยดเลยพูดหวัดอุตริมนุษย์แต่ทำเสษเมทูลในว่าเข้าไปไปนั่นมันอยู่นู้นเราไปเสีบอยู่ตรงนี้เราไม่ทำอยู่ตรงนี้เนี่ยวนอมันเห็นง่ายแต่เพราะวินัยตรวจตรงนี้ ไม่ต้องฝึกพยายามฝึกินนี้เรื่อการปฏิบัติของเราไม่ต้องไปเห็นอันนั้นไม่ต้องไปเห็นอันนี้เห็นจิตของเราไม่เป็นทุกข์เห็นจิตของเราภาคจากอารมณ์นี้ได้เห็นจิตของเราไม่ไปยึดความรู้ปวดรงอะไรตร้งไหนทั้งปวงนี่จิตละน้อยละน้อยไม่ต้องไปเห็นพยาพุดพยาราห์เห็นที่วราพยาพรงโยมยักษ์อะไรแล้วปฏิบัติเนี่ยไม่ถึงอย่นไม่ต้องทิ้งไปตรงนู้ดูจิตจะพอพอแล้วอันนี้ที่พระพุทธเจ้าของเราต้องการจริงๆเพาะเพราะเห็นแบบนี้ ไม่รู้อันนี้ตามเป็นจริงตอนนั้นไม่ได้อื่นไป